ะนั้นสุขทุกทางกายนั่นจึงเกิดจากสัมผัสทางกายเพียงทางเดียวเป็นการจำแนกแสดงสำหรับพิจารณาที่เกิดของเวทนา จะได้จับพิจารณาได้ถูกต้องและเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็พูดกันว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข ซึอันที่จริงนั้นก็เป็นตัวความรู้อย่างหนึ่งคืออาการที่จิตน้อมออกรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางอาจารณะภายในหรือทางทวานทั้งหกนั้น หน้าที่ของจิตนั้นเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นอาการที่น้อมออกรับอารมณ์นั้นก็คือรู้อารมณ์นั้นเองซึ่งรู้ที่แรกก็เป็นวิญญาณทั้งหกดังที่กล่าวแล้ว รู้ต่อมาที่แรงขึ้นก็คือสัมผัสและแรงขึ้นก็เป็นเวทนาซึ่งเป็นตัวรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวทนานั้น คือตัวรู้ที่รู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางๆางไม่ทุกข์ไม่สุขถ้าไม่มีความรู้หรือไม่มีตัวรู้อยู่แล้วสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ย่อมไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเวทนานั้นตามสับก็แปลว่ารู้หรือว่ารับรู้และ ก็มีนักธรรมะที่แปลว่าสวยเช่นสุขเวทนาก็สวยสุขทุกขเวทนาก็สวยทุกก็คือกินสุขกินทุกธรร ม, มอัตตา ที่แปลกันว่าตัวตนก็มีคำแปลอย่างหนึ่งว่าภูกินภูเสวยก็คือภูกินภูเสวยสุขหรือทุกข์นี้เองเพราะฉะนั้น เวทนานั้นก็คือความรู้แต่หมายจำเพาะว่าความรู้ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่กล่าวมานั้นซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากสัมผัสหรือผัสสะ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 เหนอย่างไม่สีไฟสองอันมาสีกันก็เกิดไฟขันใดเพราะสัมผัสก็คือ อาจิตณะภายในภายนอกกับวิญญาณมาประจวกกันจึงเกิดเวทนาสัมผัสหรือผัสสะจึงเท่ากับไม้สีไฟสองอันที่มาสีกันเวทนาก็เปรียบเหมือนอย่างไฟที่มันเกิดขึ้น เพราะไม้สีไฟสองอันมาสีกันนั่นฉะนั้นเมื่อแยกไม้สีไฟสองอันไม่ให้สีกันไฟก็ไม่เกิดเมื่อแยกอาจาจักภายในภายนอกกับวิญญาณไม่ให้มาประชุมกัน ได้ก็ไม่เกิดเวทนาในการปฏิบัติทางสมาธิขั้นสูงนั่น ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับเวทนาด้วยสมาธิโดยที่ไม่ให้ไม้สีไฟสองอันมาสีกัน คือม่ให้อญญาจัภายในภายนอกกับวิญญาณมาประชุมกันมาประจบกันเมื่อเป็นดังนี้ก็ดับเวทนาได้และ ในการปฏิบัติสมาธินั้นก็เป็นการปฏิบัติใช่สัมผัสและเวทนาที่เป็นนิรามิตรคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องรอ มาเป็นเครื่องดับเวทนานที่เป็นสามิตรคือมีกิเลสเป็นเครื่องหลอกดังจะบึงเห็นได้ว่าจิตโดยปกตินั้น ก็เหมือนอย่างไม้สีไฟสองอันที่สีกันแล้วเกิดเวทนาดูเสมอคือว่าอาจรณะภายในภายนอกมาประจบกัน เกิดวิญญาณมีเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นและเมื่อทั้งสามส่วนนี้มาประชุมกันเป็นสัมผัสก็เกิดเวทนาแต่เป็นไปในทางกามาพจรคอือยังลงในกาม โดยมากเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดกา ร, รมาฉันความใจรักใคร่ในกามหรือด้วยกามบ้างเกิดพยาบาทคือความกระทบกระทั่ง หงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายล้างผลานบัณฑคือเกิดอีวบนต่างๆเพราะว่าตากับรูปที่มาประจบ ก, กันเป็นต้นนั้น ก็เป็นตากับรูปที่เป็นไปในกรรมคือเป็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อตามาต่อกับรูปเท่นนั้นก็เป็นไปในทางกรรมก็เกิดกรรมฉัน อากไปพบรูปที่ขัดกันกับรูปที่น่ารักครปรารถนาพอใจก็เกิดพยาบาทมักจะเป็นไปในทางนี้อันที่จริงนั่นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันแต่เป็นกิเลสกรรมฐาน คือเป็นที่ตั้งของการงานทางใจที่เป็นฝ่ายกิเลสะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิพระพุทธเจ้ากินในจัดสอนให้ปฏิบัติในกรรมฐานที่ ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสหรือไม่เป็นไปเพื่อก่อกิเลสเห็นตังสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ใช้มโนกับธรรมะซึ่งเป็นอาจรารณะที่หกนั่นแหละ คิดหรือนึกในเรื่องที่เป็นกรรมฐานแปลว่าพรากจิตออกจากอารมณ์อันเป็นไปเพื่อกิเลสมาตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสแต่เป็นไปเพื่อดับกิเลส เมื่อภาคกิจออกมาตั้งอยู่ในอารมณ์รรมณันกรรม็มาฐานได้ตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ต้องอาศัยอาจา ร, รณะที่หกคือมโนกับธรรมะใจต่อกับธรรมะที่เป็นกรรมฐานก็เกิดสัมผัส เมื่อเกิดสัมผัสก็เกิดเวทนาแต่ก็เป็นนิรามิตเวทนาเวทนาที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่งองหลอกและเมื่อใจมาตั้งอยู่ในอารมณ์ขังกรรมฐานได้ได้สัมผัสกับกรรมฐานได้เวทนาที่เป็นนิรามิต ด, ดังนี้ก็เป็นอันว่าดับสัมผัส กับกิเลสกับกามะคุณอารมณ์อารมณ์มันเป็นติดตั้งของกิเลสดับเวทนาที่เป็นสามิตคือที่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อได้ก็แปลว่าดับสัมผัสดับเวทนาในฝ่ายกิเลสด้วยสัมผัสและเวทนาในฝ่ายที่เป็นนิรามิตไม่มีกิเลสเป็นเครื่องลอ่อ การเริ่มต้นกับปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องใช้ดังนี้ก็แปลว่าใช้ไม้สีฝันสองอันสีกันให้เกิดไฟเหมือนกันแต่ว่าไม้สีอันสองอันไม้สีไฟสองอันที่สีกันให้เกิดเวทนาที่เป็นนิรามิตรนี่เป็นไม้สีไฟสองอันที่พระพุท ธ, ธเจ้าได้ประทานไว้ เช่นสติปัฏฐานทั้งสี่หรือกรรมาฐานทั้งปวงจี่ตรัสสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ล้วนเป็นไม้สีไฟทางนั้นให้รับเอากรรมาฐานนี่แหละมาสีเขากับใจให้สัมผัสกับใจให้เกิดเวทานาเป็นนิรามิตก็เป็นนั้นว่าจะดับไม้สีไฟ สองอันฝ่ายกิเลสกล่าวสั้นเข้ามาก็คือว่าอารมณ์ที่มาสีกับใจที่เป็นฝ่ายกิเลสนั้นก็ทำให้สัมผัสกับฝ่ายกิเลสในเวทนาที่เป็นสามิตรฝ่ายกิเลสแต่เมื่อมาปฏิบัติ ใช้ไม้สีไฟของพระพุทธเจา้าคือเอากรรมฐานมาสีก็เขาใจก็จะสัมผัสกับไม้สีไฟที่เป็นกรรมฐานในเวทนาที่เป็นมิรามิตรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทมสมาธินั้นในเบื้องต้นก็ปฏิบัติด้วยอาศัยวิธีนี้ แต่ว่าจิตนี้เมื่อเริ่มปฏิบัตินั้นยังเป็นจิตที่เป็นกรรมาพยรเต็มที่เพราะฉะนั้นยังยกขึ้นมาสู่กรรมาฐานไม่ค่อยจะได้มันจะตกลงไปก็คือว่าปกตินั้นไปติดหรือไปพอใจเสี็จแล้วในไม้สีไฟ ที่เป็นไฟกามเป็นไฟกิเลสรับเข้ามาสีใจอยู่เสมอและเมื่อนาเข้ามาสีใจก็เกิดสัมผัสกับใจก็เกิดไฟกิเลสก็เป็นเวทนาที่เป็นสามิตรเป็นไปอยู่ดังนี้รันมาเปลี่ยนไม้สีไฟที่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้า นำเอากรรมฐานเข้ามาสีกับใจใจก็ไม่่อยจะยอมรับไม่เคยจะยอ ม, ม, ยยอมให้กรรมฐานนี้มาสีกับใจมักจะหนีออกไปรับเอาไม้สีไฟที่เป็นไฟกลามมาสีใจอยู่มักจะเป็นอย่างนี้ นี่เป็นลักษณะของจิตที่เป็นกามาประจรตแต่เมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆมีความคุ้นเคยกับนายฝีสีไ ฟ, ฟของพระพุทธเจ้าหรือกรรมฐานมาสีกับใจอยู่ให้สัมผัสกับใจอยู่ใ้เกิดเวทนาที่เป็นสามิตอยู่ก็แปลว่า ที่แรกนั้นเมื่อปฏิบัติกรรมาฐานนั้นมักอย่างไรทุกขเวทนาเพราะว่าใจไม่ชอบมักจะหอัดรงังคานเพราะจิตเป็นกามาะจน์ยังเป็นดังนี้แต่ครั้นเมื่อนำมาสีใจอยู่บ่อยๆสัมผัสกับใจบ่อยๆ ได้เวทนาที่เป็นสุขขึ้นที่เป็นนิรามิตรอันเป็นสุขที่บริสุทธิ์ย่อจะน้อมใจให้กลับมาสู่กรรมฐ า, านของพระพุทธเจ้าอันเป็นไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าสัมผัสกับไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าสัมผัสกับความสุขที่ได้ อันเป็นสุขเวทนาที่เป็นนิรามิตจะทำให้ได้ชันทะคือความพอใจในการปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้นก็แปลว่าจิตก็จะได้สมาธิมากขึ้นแต่เมื่อถึงสมาธิขั้นสูงแล้วท่านแสดงว่าปฏิบัติพรกไม้สีไฟทั้งหมด ดับเวทนาทั้งหมดจิตจึงจะได้สมาธิถึงขั้นสูงซึ่งเป็นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทาความส ง, งบสืขต่อไปบัรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมระมัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสัมมาทัทธเจ้าพระองค์นั่น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 ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสาริบุตรมาโดยลำดับโดยที่ท่านได้จับอธิบาย ในข้อสมมติทีคือความเห็นชอบว่าคือเห็นอย่างไรจำแนกแจกแจงตามลำดับธรรมะในปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจับแต่ข้อชรามรณะย้อนขึ้นไปจนถึงอาวิชาอาสวะแต่ละข้อ ก็จำแนกออกตามหลักอริยสัจทั้งสี่ซึ่งเป็นผลและในด้านเกิดทุกและผลและเหตุในด้านดับทุกข์ไปทีละข้อ ในการอธิบายในที่นี้ก็อธิบายตามไปตามแนวของท่านและเมื่อขึ้นไปถึงอวิชชาอาสวะจึงได้จับอธิบายในแต่ละข้อที่ เป็นผลและเหตุในด้านเกิดทุกหรือว่าในด้านเกิดว่าเป็นปัจจัยที่สืบกันลงไปอย่างไร ก็จับแต่ข้ออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาลงมาว่าเป็นเหตุปัจจัยของกันอย่างไรและก็ต่อลงมาอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างไร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างไรวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างไรนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะหกอย่างไรอายตรณะหกเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอย่างไรผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอย่างไร เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอย่างไรในวันนี้ก็จะได้จับอธิบายว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือเมื่อมีตัณหาความดิ้นรนทยานอยาก ก็ยังมีอุปาทานคือความยึดถือและอุปาทานนั้นท่านพระเถระก็ได้แยากออกเป็นอุปาทานสคือกามุปาทานยึดถือกามทิฏฐุปาทาน ยึดถือทิฏฐิคือความเห็นสีละพะตุปาทานยึดถือสีละพลอัตวาทุปาทานยึดถือวาทะวะตนซึ่งอุปาทานสีน่นี้ก็ได้แสดงอธิบายแล้ว เมื่อได้แสดงมาถึงลำดับของอุปาทานเพราะมีตัญหาคือความเล่นดนทยานอยากจึงมีทานคือความยึดถื อ, ค, อคือเพราะอยากจึงยึดถ้าหากว่าไม่มีอยากซึ่งเป็นตัวตัญหา ก็ย่อมไม่มียึดซึ่งเป็นอุปาทานแต่ได้มีพระพุท ธ, ธที่ายแทรกเข้ามาตรงตัณหานี้ในพระสูตรอื่นว่าเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิด อะไรต่ออะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งก็เป็นข้อที่จะพึงเห็นได้อย่างง่ายๆเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นไปอยู่ เหมือนอย่างเป็นธรรมดาโลกซึ่งโลกนั้น